ขอโมทนากับพวกเรานะตั้งใจในการที่จะศึกษาคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ากันในชั้นของการศึกษาคำสอนของพระบรมศาสดานะตอนนี้เราศึกษาในเรื่องของจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานในมัชฌิมานิกายมุรปัญนาตและก็ในทีคณิกายเป็นต้นด้วยในชั้นของคำสอนตรงนี้ก็คือว่า ที่พูดถึงในเรื่องของการพิจารณานะที่บอกว่าภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอย่างไรเล่าเป็นต้นเหล่านี้เป็นไปตามลาดับบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่กายานุปัสนาสติปฐานมีความเพียรมีสัมะชัญญามีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียได้ นี่หนึ่งะพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เวทนานุปัสนาสติปฐานมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้หนึ่งพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้นั่นหนึ่งพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ธรรมานุปัสนาสติปฐาน มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้หนึ่งนิเปการ4ประการเนี่ยพระบรมศา ส, าสดาตรัสพุทธภาสิตบอกว่าดูก่อนภิกสุท์ทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเนี่ยนะทางสายเดียวเนี่ยแล้วก็เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเหล่าสัตว์นั้นปการแรกเพื่อความก้าวร่วงความโศกและปริเทวะเพื่อความดับศูนย์ไปแห่งทุกข์และโทมนัส และเพื่อบรลุยญาธรรมคืออริยมรรคและเพื่อกระทําพระนิพพานให้แจ้งทาง4ประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยพิจารณาเห็นกายเวทนาและจิตธรรมถามว่าในกรณีที่กายนี่เป็นรูปขันธ์เวทนาเป็นเวทนาขันธ์จิตก็เป็นวิญญาณขันธ์ธรรมมานั้นเป็นสัญญาขันธ์และสังขารขันธ์สรุปแล้วก็คือพระองค์สอนให้มีสติสัมปชัญญะ ในการที่จะพิจารณาเห็นอะไรเห็นอริยาศาสต ร, ร์เห็นกัน5แล้วก็ประชุมลงในอริยศัสตร์ธรรม ท, ทั้ง4คือประชุมในทุกนะในสมุ ท, ทยัยในนิโรธแล้วก็ในมรรคเป็นต้นเอออั น, นอันนี้ของใครบ้างเนี่ย ข, ของเราไอ ง, ตต อ, งาอ๋อ เอาไว้ใจใช่จะใส่นีไว้นั่นแหละนะครับสรุปก็คือว่าพิจารณากายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมก็เพื่ออะไรเพื่อสรุปลงในอริยสัจธรรมทั้งสี่เพราะว่าสัจจะที่พระอริยเจ้าพึงแทงตลอดสัจจะของพระถถาคตใช่ไหมคือสัจจะของพระบรมศาสดานั่นเอง คือเป็นความจริงของพระบรมศา ส, สดาที่ทรงตรัสกันไว้นั่นแหละดังนัน้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้เห็นว่าการที่จะยังถึงความจริงในสังขารธรรมทั้งหลายด้วยความประชุมลงในสัจจะทั้ง4ประการนั้นน่ยที่ทรงแสดงไว้เนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์ในกรณีที่เราจะได้เห็นตามความเป็นจริงของของสัจจะ สัจจะทั้ง4ประการนี่แหละคือทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็แล้วก็มรรคในชั้นของคำสอนที่ท่านสรุปเข้าไว้เนี่ยพระตถาจารย์ท่านสรุปไว้ในคมภีวิสุทธิมรรคที่ท่านใช้คำว่า ท, ทาา ไ, ไมบอกว่ปรูปขันเวทนาขั น, น, ขนสัญญาขันสังขารและขันและวิญญาณขันก็คือรูปนามขัน5สรุปลงก็คือกลุ่มของรูปรูปส่วนหนึ่ง และกลุ่มของน้มส่วนหนึ่งนั่นเองถ้าย่อลงมาใช่ไหมตรงนี้ท่านแสดงว่านอกจากทุกไม่มีสิ่งใดไม่มีสิ่งที่เบียดเบียนเหล่าสัตว์สิ่งที่เบียดเบียนอันม่ใช่ทุกก็หามีไหมบัณฑิตทราบว่าทุกนี้เป็นอริยสัตว์เพราะนิยามว่าเป็นสิ่งที่เบียดเบียนเป็นสิ่งที่เบียดเบียนเหล่าสัตว์หรือไม่มีทุกเพราะเหตุอื่นนอกจากตัณหานั่นแหละ ไม่มีทุกข์เพราะเหตุอื่นนอกจากตัณหานั้นและไม่มีทุกข์ที่ไม่เกิดจากตัณหาบัณฑิตทราบว่าตัณหาเป็นอริยสัจเพราะนิยามว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นี่คือสมุทัยสัจจะความสนกงบอื่นจากพระนิพพานย่อมไม่มีและไม่มีความสงบที่ไม่ใช่พระนิพพานบัณฑิตทราบว่าพระนิพพานเป็นอริยสัจเพราะนิยามว่าเป็นความสงบจากวัตทุกข์ และปฏิปทาอื่นจากมาร์กที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นก็ไม่มีและไม่มีปฏิปทาข้อปฏิบัติใดที่จะไม่ใช่มารกบัณฑิตทราบว่ามาร์กเป็นอริยสัจเพราะนิยามว่าเป็นหนทางนำไปสู่ความหลุดพ้นแล้วก็บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าสภาพที่เที่ยงแท้ไม่แปรปรวนและมีปรากฏในอริยสัจสมีทุกขสัจจะสมุทยสัจจะ นิโรธาสัจจะและก็มรคสัจจะชื่อว่าสภาพที่มีจริงด้วยประการอย่างนี้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านสรุปสรุปก็คือว่าการเจริญสติปัฏฐานต้องสรุปลงอริยาาสัจให้ได้ใช่ไหมเช่นรูปรขันเป็นโทกสัจจะเหตุที่ทำให้รูปรขันเกิดขึ้นอันนั้นเป็นสมุทัยสัจจะดับรูปรขันดับสมุทัยสัจจะได้เป็นนิโรธสัจจะ ปฏิบัติทายถึงนิโรธาสัจจะเป็นมรรคสัจจะเห็นไหมเวทนาขันก็เป็นทุกขสัจจะ <c oughs> เหตุที่ทําให้เวทนาขันเป็นไปในกระแสของขันของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปในสังสารวัฏนั้นเป็นสมุทยสัจจะดับเวทนาขันได้ดับเหตุที่เป็นปัจจัยให้เวทนาขันเกิดได้นั้นเป็นนิโรธาสัจจะคือสภาวะที่ดับนั่นเองข้อปฏิบัติให้เข้าถึงนิโรธเป็น มรคสัจเห็นไหมวิญญาณขันธ์ก็เป็นทุคสัจจะเห็นไหมส่วนเหตุให้เกิดวิญญาณขันธ์ก็เป็นสมุทยัทยสัจจะสภาวะที่ดับดับวิญญาณณขันธ์ดับเหตุให้เกิดวิญญาณขันธ์ก็เป็นเป็นนิโรธาสัจจะปฏิปทาถึงนิโรธก็เป็นมรคสัจจะเอาแล้วธรรมะนี่แหละมีอะไรบ้างอะนิวร ขันห้าอายตนะใช่ไหมแล้วก็เกี่ยวในเรื่องของสรุปลงอริยสัจนั่นเองไหมที่สุดจริงๆในในสติปัฏฐานจะไปสรุปลงในอริยสัจสรุปก็ไปแยกในส่วนขันห้าเป็นต้นเป็นทุกขสัจจะกลุ่มตัณหาที่เป็นปัจัยเกิดขันหก็เป็นสมุทยัยสัจจะนิโรธสภาวะที่ดับขันห้าแล้วก็ดับตัณหาก็เป็น นิโรธาสัจจาแล้วก็พระนิพพานเ อ, อไม่ใช่มรรคซึ่งเป็นปฏิบัติให้เข้าถึงพระนิพพานก็เป็นมรรคสัจจาเห็นไหมว่าที่สุดจริงๆไปรวมลงในลงอริยสัจแล้วก็ไปอยู่ในธรรมานุปัสสนานั่นเองเดี๋ยวๆตรงนี้พระตกรถาอจารย์ท่านแสดงไว้บอกว่านาภาทกังยาโดทุขังทุขาอัญยังนาภาทากโกเนี่ย พาทากาตตานียาเมนาตโตสัจามีดังมาตังเป็นต้นนะบอกว่านอกจากทุกข์ไม่มีสิ่งที่เบียดเบียนเหล่าสัตว์นะโอ oh, สิ่งที่เบียดเบียนทําให้สัตว์ได้เดือดร้อนอยู่เนี่ยไม่มีอะไรนอกจากทุกขนะ์ทุกข์นี่แหละเบียดเบียนสัตว์ทําให้สัตว์ต้องเร่าร้อนทําให้สัตว์นั้นต้องกังวลกังวลท่องให้ทำให้สัตว์นั้นเจ็บ ป, ปวดในสังสารวัตร สิ่งที่เบียดเบียนนั้นไม่ใช่ทุกข์ต่าหามีไห่บัณฑิตทราบว่าทุกข์เนี่ยเป็นอริยสัจเป็นสัจจคตจจคของพระตรรมคตเป็นสัจจคของพระรยาเจ้ารู้ตามความเป็นจริงในข้อนี้แล้วว่าโอ้โหว่าเป็นสิ่งที่เบียดเบียนโดยแท้เนีเราเจอทุกข์ข้าหันอยู่ตลอดเวลานี่ยเนี่ยสมุทัยสัจจค ก, ก็เลยเป็นเหตุของทุกข์ไปถามบอกว่าไม่มีทุกข์ที่ไม่เกิดจากตัณหาเลย ฉะนั้นไม่มีเลยนะที่เรามาสืบค้นดูเนี่ยว่าไม่มีไม่มีเลยทุกที่มันจะเกิดขึ้นมาโดยไม่มีตัณหาเป็นเหตุเป็นปันจจัยเลยบัณฑิตจึงทราบว่าตัณหาเป็นอริยสัจบัณฑิตในที่นั้นคือพระพุทธเจ้านะเพราะนิยามว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ความสงบอื่นจากพระนิพพานย่อมไม่มีและไม่มีความสงบที่ไม่ใช่พระนิพพานบัณฑิตทราบว่าพระนิพพานเป็นอริยสัจเพราะนิยามว่าเป็นความสงบเป็นความสงบ ฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจว่าพระนิพพานนี่เป็นความสงบเป็นแดนแห่งความสงบอย่างยอดยิ่งเนื้อไความปรารถนาพระนิพพานมันก็กล่อยไว้ในในความรู้สึกเนี่ยนะรู้สึกว่าแม้ไม่อยากจะนิพพานกันก็เยอะในะคนบางคลใช่ไหมไม่อยากจะพ้นทุกข์อ่ะเพราะยังชื่นชมอะไรชื่นชมตาหูจมูกลิ้นกายใจชื่นชมอะไรเยอะแยะเบ็ยดเสจเลยนะงั้นถ้าหากว่าเราดู พระบรมศาสดาเนี่ยที่สั่งสมอัธยาศัสายมาเนี่ยเพื่อจะรู้ตามความเป็นจริงให้สังเกตดูทีพระองค์เบือ่อหน่ายทุกทั้งนั้นแหละเบือ่อหน่ายถ้าเราดูในชั้นของตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์จะเห็นชัดตอนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็มีความเอื่มละอาเนีเอือมละอาต่อขันเนี่ยท่านบอกว่าพอมาพิจารณาดูแล้วเนี่ย ท่านมาพิจารณาบอกว่าตอนที่ท่านจะออกบวชเนี่ยตอนที่เป็นพระทีปังกรเนี่ยขออภยัยเป็นสุเมธาดาบทเนี่ยตอนที่เป็นสุเมธาดาบทท่านก็นมาพิจารณาดูว่าตอนนั้นเนี่ยอัธยาศัยแปลว่าของท่านตั้งแต่ก่อนเสียสงไข่เนี่ยอัธยาศัยน่ยเบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่าย ท่านบอกว่าไงไนะตอนที่ในสุมเมธกถาท่านบอกว่าตอนนั้นนะเราเป็นพราหมีนามว่าสุมเมธะในครอบครัวในในนครอ ม, อมอนวดีนะมีทรัพย์สั่งสมไว้หลายหลายหลายโกดมีสมบัติและข้าวเปลือกอย่างมากมายท่านบอกงั้น เป็นผู้คงแก่เรียนทรงเวทถึงฝั่งแห่งไตเพศเป็นผู้สําเร็จวิชาทายลักษณะและคัมภีโูราณและก็พิธีกรรมของพรามทั้งสิน้นท่านวางนี่นะในครั้งนั้นเรานั่งอยู่ในที่รับก็ดําี่ว่าขึ้นเชื่อว่าการเกิดในพบใหม่เป็นทุกข์ดูสิเนะี่ยอันนั้นน่ยหลังเสียสงไข้นะยิ่งด้วแสนมา ก, กับคิดแบบนี้แล้วเราเห็นซับแล้วเคยคิดแบบนี้ไหมอันนี้แสดงยังเหลือไกลเหมือนกันนะนะ เนี่ยท่านคิดอย่างนี้นการแตกทำลายของร่างกายก็เป็นทุกข์การตายด้วยความหลงก็เป็นทุกข์การถูกชลาย่ำยีก็เป็นทุกข์ท่านคิดได้แล้วข้อนีอ้ตอนเกิดใหม่ๆตอนที่เป็นอยู่เราไม่เคยฟังธรรมเนี่ยเราไม่เคยคิดข้อนี้ได้เลยเนะเห็นไหมเนี่ยท่านคิดได้แล้วนี่ปแปล ว, ว่าอะไรเนี่ยท่านเห็นว่าทุกข์เนี่ยมันเบียดเบียนท่านเห็นทุกข์มันเบียดเบียนท่านที่ท่านใช้คำว่า ราหกกโตนิสีติตวาเอวังจินเตสหังตาดาดุโคปุนปะโวนามาสริระสาจะเพธนังสั ม, มโมหะมรณังดุขังชรายาภิมาธานังเป็นต้นนี่เห็นไหมในครั้งนั้นเรานั่งอยู่ในที่รับก็ดมฤอย่างนี้ว่า ขึ้นชื่อว่าการเกิดในภพใหม่เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปการแตกทาลายของร่างกายก็เป็นทุกข์การตายด้วยความลุ่มหลงด้วยโมหะก็เป็นทุกข์การถูกชราคือความแก่งงอมแห่งอินทรีย์ย่ำยีก็เป็นทุกข์อย่างมากและวก็บอกว่าชาติดมโมชาราดำโมพยาดีดำโมสังตาดาอัชรังอมามตังเขมัง ปริเยสีซามิพุนิพุติงบอกว่าในการนั้นเรามีปกติเกิดมีปกติแก่มีปกติเจ็บป่วยไข้เป็นนิดจากสแสวงหาพระนิพพานอันไม่แก่ไม่ตายอันเป็นแดนเกษมเนี่ยดูสิเนี่ยนี่นู่นก่อนเสี ย, ส, ยสงขัยที่แล้วนู่นท่านคิดได้แล้วอันนี้มาจากการบ่มเพาะไหมเท่าไหร่ 16มา16แลนะ้วเนจากการเปล่งวาจาจากการคิดในใจเก้าเปล่งวาคิดในใจเจเปล่งวาจามา 9, เกนะ้าเนีเนเนะ่เห็นไหมเป็น16เแล้วเห็นไหมว่าท่านมองบอกว่าในชันไหนหนอเราพึงเป็นผู้ไม่เลี้ยแลต้องการสละกายอันเปื่อยเน่านี้ดูสิ ยังนนนิมังปุติกายังนานากุนาปปุริตังชัทายตวานาคาเชยยุงอนาเปโค อ, อนาทิตโกบอกว่าฉนไหนเนเราพึงเป็นผู้ไม่เลี้ยวแล้วก็ต้องการจะสละกายที่เน่าเหม็นเปื่อยเน่าเนี้ยอันเต็มไปด้วยซากศพต่างๆทิ้งไปได้โอ้โหเห็นเบียดเบียนแล้ว เห็นกายเบียดเบียนแล้วเห็นเห็นความทุกข์ที่เป็นไปในรู ป, ปรขรรค์รู ป, ปรกายแล้วเออเราเห็นรู ป, ปรกายแล้วก็พิจารณาไหมว่าเออไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่มันไม่เคยปรากฏว่าถึงขนาดเป็นซากสุนัขเน่าผูกที่คอเลยนอะฉะนั้นการวิจัยยังไม่พอจริงๆนะถ้าจนขนาดเอื่อมละอาะกลายเป็นซากสุนัขติดผูกไว้ที่คอเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่ง น, นจะมีความคิดอยากจะสลัดไอ้ซากอันนี้ออกจากคอไป หาหนทางหาอุบายอยู่นั่นแหละใช่ไม่ใช่ท่านเลย ม, มาเจอหนทางว่าเจอที่พระบรมศาสตร์สว่าทางนี้แหละจะเป็นทางปลดเรื่องไอ้ซากสุนัขออกจากคล้องเธอได้นี่โอ้โหื่นใจแล้วใช่ไม่ใช่แต่นี่พอมาเจอทางแล้วมันยังเฉยๆอยู่สแสดงให้เห็นชัดว่าอะไรเนี่ย<ม>ปริมาณของการใครค์ควรปริมาณของการคิด<ม>การวิจัยการอย่างรู้การเข้าไปตรวจสอบความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความไม่งามของรูปกายเป็นต้นไม่แข็งแรง เขาเรียกว่าอะไรนะจิตยังสโปรกอยู่จิตยังไม่สะอาดยังไม่เห็นความจริงของความรูปขันเป็นต้นใช่ไหมยังไม่เห็นความจริงของรูปขันของเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันเป็นทุกยังไงมันไม่เที่ยงยังไงแล้วก็มันเป็นอนัตตาอย่างไรแล้วก็เป็นของไม่สวยไม่งามอย่างไรเนี่ยมันจะมาเกลือกลั่วกับสิ่งที่มันน่าท่านใช้คํวนนาว่าเน่าสิ่งที่เปื่อยเนา่าปุตกายังเนี่ย เปื่อยเน่ามากถ้ามันเห็นว่าเป็นของเปื่อยเน่าจริงๆใช่ไหมเป็นของหน้าขยะขยงจริงๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเหมือนเอาซากสุนัขเน่าๆมาผูกคอเล่นกันเนี่ยเดินกันไปเดินกันมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างเน nee. ี้ยแล้วท่านก็บอกว่าอธิเหหิติโสมโขนาโสสกานาเหตุเย ปริเยสิสามิตังมคขังภวะโตวิมุตติปริมุติญามทางหลุดพ้นนั้นมีอยู่แน่จากมีเป็นแน่แท้มิอาจที่จะไม่มีเราจักแสวงหาทางหลุดพ้นนั้นเพื่อพ้นไปจากกามภ พ, พรูปภ พ, พและอรูปภ พ, พเห็นหท่านบอกทางหลุดพ้นคืออะไรเนี่ยปฏิปทาใช่ไหปฏิปทาก็คือมรรคแน่นเอง ยกตัวอย่างเช่นในสติปัฏฐานในกายานุปัสนาเวทนาจิตตาตอนนี้เราเรียนจิตานุปัสนาจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยถามว่าในจิตตาในข้อหมวดว่าจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยที่ท่านใช้คําว่ามีความบอกว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียได้เอาในหมวดเนี้ยในข้อจิตานุปัสนาเนี่ย อะไรเป็นทุกขสัตว์อะไรเป็นทางที่จะพ้นจากทุกขสัตว์นั้นนะจิตมีราคาก็รู้ชัดว่าจิตมีราคาจิตปราศจากราคาก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคาเป็นต้นในบรรดาจิต16ประการนั้นเขาเรียกเป็นทุกขสัจจาใช่ไหมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติความเพียรในที่นั้นเป็นชื่อของวิรยิยะสติในที่นั้นเป็นชื่อของสัมมาสติ ม, มีความเพียรแล้วก็มีสัมปชัญญะสัมปชัญญะในที่นั้นเป็นชื่อของสัมมาทิฏฐิหรือปัญญามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติสามองนี้เป็นเป็นอะไรเป็นมรรคสัจจะเห็นไหม น, นี่คือทางนี่คือทางที่จะพ้นไปจากทุกข์ ทางที่จะพ้นไปจากทุกก็คือทางที่จะพ้นไปจากรูปขันทางที่จะพ้นไปจากเวทนาขันทางที่จะพ้นไปจากสัญญาขันสังขารลขันวิญญาณขันเห็นไหมว่าทางที่จะพ้นไปจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขาระขันวิญญาณขันกล่าวคือรูปกำนามเนี่ยเป็นตัวทุกข์ขันห้าที่เป็นไปในภพสาม กามาพรูปประพบอรูปประพบเนี่ยกระแสของขันธาตุอายตนะที่หมุนไปตามพบต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นตัววัตถุกเป็นตัวทุก์นั้นถ้าจะพ้นจากทุกตัวเนี้ยพ้นจากขันห้าเป็นต้นเหล่าเนี่ปฏิปทาคือมรคะตรงเนี้ยท่านต้งบอกทางหลุดพ้นมีอยู่เป็นแน่จักมีเป็นแน่แท้ไม่อาจที่จะไม่มีเราจักแสวงหาทางหลุดพ้นเพื่อพ้นไปจากพบเห็นไหม การหยางลงของขันห้าเป็นเป็นเชื่อเป็นเชื่อพบเลยเขาเรียกอุปติพบการเกิดขึ้นเห็นไหมการเกิดขึ้นครั้งแรกเป็นต้นเ่าเนี้ยนะการขันห้าที่อุบัติเกิดขึ้นเนะี่ยก็เรียกว่าชาติปีทุกขาขันหนึ่งบ้างขันสี่บ้างขันห้าบ้างที่เกิดขึ้นที่อุปาทขณะเป็นต้นเราเนี้ยนั่นแหละคือการทุกมันหยางลงแล้ว ตรงนี้ท่านบอกว่าท่านก็เลยมาเทียบไงยาทาปีทุกเควิชันเตสุขขังนามาปิวิชาติเอวังบาเววิชมาเนวิภาวปีอิชิตาภโกบอกว่าเมื่อทุกมีอยู่สุขก็ต้องมีชั้นใดเมื่อพบมีอยู่ความสิ้นพบก็ต้องมีฉันนั้น เมื่อความร้อนมีอยู่ความเย็นอื่นก็ต้องมีชั้นใดเมื่อไฟสามกองคือราคะโทสาโมหามิยูความดับไปก็ต้องมีชั้นนั้ น, น่เมื่อความชั่วมีอยู่ความดีก็ต้องมีแม้ชั้นใดเมื่อชาติมีอยู่ความสิ้นชาติก็ต้องมีแม้ชั้นนั้นนตอนนี้ชาติมันโกรดบิลเล่ยเลยใช่ไหมปฏิสนธิชาติเนี่ยเขาบอกว่าบุคคลเนี่ยตรงนี้ท่านใช้คาว่า ดูท่านคิดน่ดูแนวทางที่ท่านคิดเพื่อจะแสวงหาทางให้พวกเราเนี่ยดูที่พระโพธิสัตว์ท่านคิดเนี่ยนะที่จะสแสวงหาทางแผ่วทางทางคือมรรคเนี่ยให้กับเราพวกเราไม่ต้องไปสแสวงหาเรื่องท่านเลยอทางท่านบอกเรียบร้อยท่านเปิดทางนี้แล้วที่ถูกปิดมาตั้งนานแล้วยังไเอกายนะมมรรคเนี่ยท่านท่านเขาปิดมาตั้งนานแล้วแต่ท่านมาเปิดให้เนี่ย เพียงเดินตามแค่นั้นแหละแต่ยังเป็นความยากเย็นของสัตว์ในยุคนี้นะแค่เดินตามแค่นั้นนะไม่ใช่ต้องไปหาทางใหม่เลยนะแค่เดินตามท่านอย่าไปนอกแนวคำสอนของท่านแค่นั้นก็ยุ่งยากแล้วยุ่งยากแล้วออด้วยความเชื่อไม่มั่นคงนี่แหละมันถึงหลังเลกันอยู่เนี่ยใช่ ไ, มไามไอ้วิจิกิจฉามีกาลังมากพระสัตรีอ่อนพระสัตรีอ่อนตรงนี้ท่านใช้คำว่า ยาทาคูทกโตปุริโสตรากังดิจวานาปุริตังนาคเวสติตังตรากังนาโทโสตรากัสะโสบอกว่าบุคคลผู้ตกอยู่บนหลุมในหลุมคูดแล้วเห็นสระน้ำใสสะอาดที่เต็มแต่ไม่แสวงหาสระน้ำนั้นนั่นไม่ใช่ความผิดของสระน้ำแม้ฉันใด ตอนนี้เราตกอยู่ในหลุมคูดก็ตกอยู่ในหลุมของผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยนี่มันหลุมคูดชัดๆเลยเนี่ยตกอยู่เนี่ยแล้วก็ตกอยู่ในหลุมของเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันไอเนี่ยหลุมคูดทั้งหมดเลยเนี่ยขันห้าเนี่ยไอที่ชำระล้างจะทำให้ขันนี้บริสุทธิม์มนะีคือสะใช่ไหคือพระนิพพานเนี่ย เราไม่แสวงหาสาเน้น้ำเนี่ยนะเพื่อจะไปอาบน้ำเนี่ยและทางก็มีอยู่จริงนะพระศ า, าสดาก็บอกว่าทางนี้เธอไปเธอแล้วโดดลงสาเนี่ยแล้วจะพ้นจากความสกปรกโสมมที่เธอทั้งหลายตกอยู่ในหลุมคูดเนี่ยแม้แต่เราไม่หาไปเดินหาสามันเป็นความผิดของใครเนี่ยความผิดของเราพอจะไป ฟังพระธรรมคําสอนที่จะเป็นปัจจัยกับการที่จะเดินเข้าสู่ท่าน้ําที่ใสสะอาดโอหไม่กวีกว่วาดเลยยังมั้งไม่กวีกว่วาดเลยเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อสระน้ําที่ชําระมนทินคือกิเลสมีอยู่แต่บุคคลไม่แสวงหาสระน้ําจะไปโทษสระน้ํานั้นไม่ได้แม้ชั้นใดเมื่อบุคคลถูกศัตรูล้อมไว้ เมื่อทางสําหรับจะหนีไปให้รอดนมีอยู่นะแต่ไม่หนีไปนั่นไม่ใช่ความผิดของทางฉันใดเมื่อทางปลอดภัยมีอยู่แต่บุคคลถูกกิเลสลุ่มแล้วคือราคาโทสาโมหะมานาทิถิวิจิกิจชาหินิกาโนตปาอุทธจกักกุ้มรุมแล้วไม่แสวงหาทางนั้นไม่ใช่ความผิดของทางแม้ฉันใดที่จะบปวดมากกนั้นก็คืออะไรท่านใช้คําว่า ยาทาปิพยาทิตโตปุริโสวิชมาเนติกิชาเกนาติกิชาเปติตังบยาทิงนาโทโสโสติกิชเกบอกว่าก็พวกเราเนี่ยเป็นผู้ป่วยก็เป็นคนไข้นี่นะก็ละ ง, งมด้วยพิษไข้อะ เต็มไปอยู่ในกระแสของชีวิตอย่างเนี้ยเมื่อหมอมีอยู่แต่ไม่ไปให้หมอเยียวยารักษาจะไปโทษหมอนะ่ยไม่ได้แม้ฉันใดบุคคลมีทุกถูกโรคกิเลสบีบคั้นแล้วตอนเนี้ถูกราคาโทสะโมหะบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่สแสวงหาอาจารย์คือพระเจ้านั่นไม่ใช่ความผิดของอาจารย์นะไม่ใช่ความผิดของอาจารย์นะ ท่านก็เลยมาพิจารณาบอกว่าเราพึงเป็นผู้ไม่เหลียวแลต้องการสละกายที่เปื่อยเน่าอันสะสมได้ซากศพต่างๆบอกควรทิ้งไปได้แล้วทิ้งไปเถิดเหมือนบุรุษลังเกียจซากศพที่ผล่ไว้ที่คอแล้วก็เปื้องออกก็จะมีความสุขมีเสรีแล้วก็จะมีอำนาจตามลำพังของตอนเองแม้ฉันนั้นท่านคิดแล้ว เห็นพหมพอท่าคิดในรักเราพึงสละกายที่เน่าเปือ่อยเปื่อยเน่าอันเต็มไปด้วยซากศพต่างนี้ไปดุดการถ่ายอวยเจ่าไว้ในส่วมเหมือนบุรุษหรือสตรีถ่ายมูดคูดไว้นะที่ถ่ายแล้วไม่เลี้ยวแล้วต้องการเลยแม้ฉะนั้นใช่ไหมถ่ายไปแล้วยังต้องการอยู่ไหมไม่ต้องการแล้วใช่ไหมฉะนั้นเราก็ควรจะทิ้งได้แล้วขันห้าเนี่ยเพราะมีทางเดินอยู่ใช่ไหม ก็รีบเดินไปสิรีบเดินไปสิรอใครเอารอใครจะรอใครยังว่าท่านใช้คำว่าเราจะสละกายที่มีช่องอยู่9ก้าช่องมีมีช่องอยู่9ก้าช่องเนี่ยก็คือทวารตาใช่ไหมเนี่ยมีมีช่องไหลออกไหลเข้าของของสิ่งโซ โ, โค ที่ตาที่หูที่จมูกที่ปากทวารหนักทวารเบานี่แหละมีสิ่งของโสโคกไหลออกเป็นนิดนี้ดุจเจ้าของทิ้งเรือเรือเก่าที่คร่ำค่าเหมือนเจ้าของเรือเนี่ยทิ้งเรือที่สุดโทมหักพังรั่วไหลไม่เหลียวแลและไม่ต้องการฉะนั้นแหละว่าไงถามว่า เราจะสละ ก, กายอันประดุดมหาโจร น, นี้ไปเนี่ยเอากลายเป็นมหาโจรไหม <Yes. S 1> เพราะกลัวจะทําลายบอกว่าเรามีกายอยู่เนี่ยมันจะทําลายอะไรเอาถึงเรียวเป็นมหาโจรถ้าตาบใดเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจยมีรูปขนันมีเวทนาขนันสัญญาสังขารวิญญาณมีทั้งรูปกายนามากายเนี่ยถามว่ามันมั น, มนเรากลัวมันไหมถ้าเราขืนไปกับมันก็คือเดินไปกับโจรนะ ทำไมจึงเรียกว่าเดินไปกับโจรเดี๋ยวมันก็ทําลายกุศลเรามันจะทําลายกุศลเราตลอดเวลาเนะ่ยฉะนั้นคนถ้าเดินไปกับโจรเนี่ยนะเขาจะต้องระวังมากเขาจะต้องหาหนทางคิดตลอดเวลาเขาจะต้องหนีจากโจรเนี่ยถามว่าเราก็มีทรัพย์ด้วยอ่ะแล้วเดินไปกับโจรเนี่ย<อ>กับเขาเนี่ยสองต่อสองเนี่ยเรากลัวเขาไหมแล้วเดินไปกับรู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำไมไม่กลัวทําไมไม่กลัว พรเดี๋ยวเขาปล้นเราเราเสียหายมาเยอะแยะแล้วโดนปล้อนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมหรือยอมให้เขาปล้นมหาโจรแท้ๆเนี่ยไปครบอะไรใช่ไหมท่านสอนไม่ให้ครบไม่ครบไม่ให้สมาคมด้วยขันห้านี่เป็นเป็นบัณฑิตหรือเป็นพาน <laughs> กาตันยูหรืออกตันยูยเห็นไหมอกตันยูไม่รู้คุณ เขาไม่รู้คุณหรอ ก, กันห้าไม่รู้คุณแล้วไปยินดีทําไมจังมั้ย <c oughs> โดยมากเนี่ยเราจะมักจะไปตําหนิขันของคนอื่นว่าไม่รู้คุณ <c oughs> ใช่ไหมแต่เราลืม <c oughs> ใช่ไหมใช่มักจะไปตําหนิขันของคนอื่นนะใช่ไหมแล้วเราไปโกรธขันของคนอื่นก็เนี่ยขันนี้ไม่รู้จักคุณว่าไงเลยใช่ไหม ฉะนั้นเรามาเรียนในเรื่องของกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาและธรรมานุปัสนาที่เป็นส่วนของโลกีธรรมทั้งหมดนี้คือมาเรียนขันห้าจะได้รู้จักขันห้าว่าขันห้ามันอคตัญญูอย่างไรมันไม่รู้จักคุณอย่างไรเป็นมหาโจรอย่างไรเดินไปกับเขาแล้วไม่ปลอดภัยอย่างไรเขาปล้นกุศลเราอย่างไรกุศลระดับทานเราพังไปกี่ครั้งแล้วกุศลระดับศีลพังไปกี่ครั้งแล้วกุศลระดับปัญญาพังไปกี่ครั้งแล้วศีลสมาธิปัญญาทั้งหลายเหล่านี้ถูก มหาโจร น, นี่ป้นไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วถ้าในคิดอย่างนี้จะได้ไม่อะไรอววในตาหูจมูกเล่นกายใจเขาใจยังถ้าอย่างนี้ก็ชัดเจนเลยใช่มหมเอาในขณะที่เรียนบัตธรรมมันยังแทรกมาป้นเราหยุดเป็นระยะระยะอ น, นี่ไงขันฮะมดีไหมเนี่ยนะเข้านะเข้ามันไม่อยากให้เราเรีเรยนบัตธรรมนะมันสารพัดแล้วมันจะลังแกสารพัดที่จะคอยขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเนี่ย ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยขันห้าเนี่ยนั้นถ้าไม่วิจัยไม่พิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยจกไม่เห็นโทษเป้าหมายคือหนึ่งรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยเฉพาะจิตานุปัสนาเนี่ยท่านในพิจารณาเห็นอาทีนวโทษเห็นโทษของขันเห็นโทษของวิญญาณนะขันเป็นต้นเหล่านี้ว่าเป็นมหาโจรเพราะจะทาลายกุศล เหมือนบุรุษถือสิ่งของเดินทางไปกับมหาโจรเนี่ยก็ต้องยอมทิ้งต้องทิ้งพวกโจรไปนะเพราะมันเป็นภัยต่อการป้นซั์ตอนนี้ถ้าตราบใดเรายังไปกับความคิดเราอยู่เนี่ยเราเชื่อโลพาจิตโทษาจิตโมหาจิตนะหรือแม้แต่กุศลจิตในชั้นของโลกิยะเหนือกระป้นนะที่ส่วนจริงก็คือมหาโจรอยู่ดีเพราะอะไรโลกิยจิตที่เป็นไปในกิเลสยังไม่เ ข, ข้าเนี่ยบาปก็อาศัยเกิด โดยฐานะเอาเป็นอารามนาปัจจัยใช่ไหมเผื่อเป็นอารามนาธิบดีเขาให้อย่างเงี้ยนะพาะกิเลสนี่ยไปมีมีกุศลเป็นอารามนาทิบดีก็ได้เป็นอารามนาูก็ได้อย่างงี้เป็นต้นใช่ไหมไปยินดีไปเพลิดเพลินก็ทําให้ยึดติดสภาพของกุศลน่ยไปยินดีโลกียกุศลอย่างเงี้ยนะพักทานในกุศลอย่างงี้เป็นต้นแลยไปยินดีเพลิดเพลินแล้วก็จมอยู่อย่างนั้นแหละที่ส่วนยิ่งก็โดนป้นโดนป้นตอนอะไรตอนไปยินดีไงตอนไปยินดีไปเพลิดเพลินอย่างรุนแรงไง